ช่วงมีใครทุกคนนี้คิดว่าเจริญพุทธคุณกันบ้างนะแต่ว่ามากน้อยก็ตามสมควรกับกำลังว่างั้นเถ อ, เอะถามว่าเราเจริญพุทธคุณกันช่วงไหนก็คือช่วงที่เราสวดมนต์ไหว้พระนั่นแหละขณะที่สวดมนต์ครั้งหนึ่งเนี่ยนะคือคำว่าสวดมนต์นี่มันเป็นนิยามกว้างๆอ่ะนะแต่ที่จริงแล้วก็คือหมายถึงการเจริญพุทธานุสตินั่นเองคือการตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า หรือการนอบน้อมพระพุทธเจ้านั่นทุกครั้งที่ตั้งนะโมเนี่ยถ้าจะว่าไปนั้นก็คือการเจริญพุทธานุสตินั่นนะนะโมตสัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะแต่ว่าเขาจะทราบซึ่งในพระพุทธเจ้ามากเท่าไหร่ก็สังเกตจากบทเหล่านั้นเนี่ยนะว่าซึ่งในพระพุทธศาสนาขนาดไหนว่าเขามั่นคงในพระศาสนาขนาดไหนก็สังเกตได้จากการสวดมนต์เนอย่างหนึ่งการนอบน้อมพระรัตนตรายเนี่ยอย่างหนึ่ง การเห็นภาพพระพุทธรูปเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็สังเกตได้จากสิ่งเหล่านี้ว่าสังเกตจากศรัทธาที่มีอยู่เนี่ยหนึ่งนะสังเกตจากความเคารพที่มีอยู่เนี่ยอย่างหนึ่งก็สังเกตจากสองอย่างคือรู้สึกว่าถ้าเห็นภาพพระพุทธรูปแบบมือมว่าเออเราต้องยำเกรงท่านมากนะเนี่ยนะอันนี้นี่อย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งก็คือมาผองใสเลยนะเห็นภาพแล้วก็สบายใจเลยอันนี้ก็ประกาศถึงว่า ศรัทธาของเราที่มีในพระพุทธเจ้านี้ก็นับว่ามั่นคงดีดีมากระดับหนึ่งละแต่ถ้าหากว่าเราเห็นพระพุทธเจ้าเราก็รู้สึกเฉยเฉยเดี๋ยนะสวดมนต์ไหว้พระก็ปกติธรรมดาหมดเลยตอนคือไม่ได้สวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์เสร็จเวทนาเท่าเดิมหมดเลยก็แสดงว่านนะปกติหมดเลยนะค่าของตัวนี่ดีไหม สวดคือก่อนสวดมนต์ก็อุเบกขาวเวทนากำลังสวดมนต์ก็อุเบกขาวเวทนาสวดเสร็จแล้วก็อุเบกขาวเวทนาเท่าเดิมหมดเลยถามว่าดีไหมไม่ดีนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเลยอย่างนั้นแหะถ้าหากว่าไอความความรู้สึกว่าเราใกล้ชิดต่อพระพุทธเจ้านะถึงเราจะเข้าใจเหมือนว่าเข้าใจธรรมะขนาดไหนก็ตามเถอะแต่ประกาศเลยว่า เราไม่ได้เข้าถึงธรรมะนั้นๆเท่าไรเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเช่นคนที่ที่เจริญวิปัสนาเนี่ยนะนะผู้ที่เจริญวิปัสนารู้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตามากๆไม่ใช่เขากะด่างนะแต่เป็นคนที่อ่อนที่สุดด้วยเนี่ยนะต้องอ่อนมากอันนี้หมายถึงอ่อนต่อพระรัตนตรายนะไม่ได้ไปอ่อนกับคื อ, ค อ, คอเรื่องทั่วๆไปนะยิ่งอ่อนมากยิ่งเห็นคุณมากถ้ายิ่งเห็นไตรลักษณ์มากเท่าไหร่นะยิ่งเห็นคุณของ พระ t h a ไตรถ น, นั้นเนี่ยนะเห็นคุณของพระพุทธเจ้ามากเท่านั้นเห็นคุณของพระธรรมที่จะนําออกจากทุก์เท่านั้นและก็เห็นคุณของพระอริยาสาวกที่ท่านพ้นจากทุก์เท่านั้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหอะไรก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเสร็จ แ, แล้วก็สภาพจิตแข็งกระด้างหมดเลยเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าได้คาถามมาอีกสามคำที่ว่าไปเรื่อยเนี่ยนะซึ่งไม่ไม่ถูกแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่า เว้นไว้แต่พวกได้จตุทชาญแล้วเจริญวิปัสนาอ น, นะอัน น, นั้นก็ถือเป็นกลุ่มพิเศษไปพวกนั้นก็โดยทั่วๆไปก็จะมากไปด้วยอุเบขาเวทนาเนี่ยนะเพราะเพราะฌานเป็นอุปนิสัยให้ท่านอุเบขาแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังไม่ได้ฌานระดับจตุทชาญเลยเนี่ยนะมหากุศลที่ประนีระดับธรรมดาควรจะเป็นมหากุศลสมะเนี่ยนะที่ที่บอกถึงความประณีตนะแล้วก็ โดยองค์ชาญหรือโดยองคแห่งโพชงของผู้ที่จะตรัสรู้เนี่ยก็ต้องมีปีติสัมโพชงเนี่ยนะพวกปีติสัมโพชงพวกปัสสัตที่สัมโพชงเนี่ยนะกลุ่มนี้จะมีกำลังมากแล้วข้อที่สำคัญอย่างหนึ่งผู้ที่เป็นพระโสดาบันหรือผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันหรือพระโสดาบันพระสกทาคามีพวกนี้สัตทินรีจะมีกำลังเนี่ยนะสัตถ์าเทียบอินรีนะ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีห้านี้สัตทินรีท่านมีกําลังมากเพราะสัตทินรีนั่นแหละคือศีนละเนี่ยนะกลุ่มศีลก็คืออยู่กลุ่มสัตทินศีนั่นเอง <c oughs> อทีนี้ถ้าย้อนมาที่เรื่องไตรลักษณ์นิดนึงที่ว่าถ้าหากว่าผู้ที่มีความทราบซึ้ง เข้าใจไตรลักษณ์มากเท่าไหร่จะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นอันนะด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลอะไรใครออกความเห็นก่อนไหมอืมซึ่งอะไรเห็นดำดมและผลของดำถ้าเปิดเรามองไปก็แล้วแต่ใครจะมองมงไหนนั่นอืมอ ม, มันเหมือนกับที่พระอาจารย์เล่าเคยเล่าอ่ะ ป้าสอบ้า น, า น, า น, นเปิดแกนอ ะ, อะไรโอ้ถ้าเิดมันมดีดยาถเตเเอ๋อขอมายังจับประเด็นไม่ค่อยได้อ๋อามาอย่างนี้ค่ะที่มันเกิดการนแรงมันต้องยับเยแต่ีอยูนะอะอ้ยกมานะคะแล้วก็เรียนทำ ม, มารเราจะราส่งเสีเยใก็อ่อนไหวนิดห น, น่อยมาคิดนั้นเรากลับตลปัดอ๋อสิ่งที่ดีกัมนี่แลถ้าเปิดไม่มี แล้วอาจจะอะไรไปอะไรไปเชียร์อะไรมากได้ได้ไม่เข้าข้างใครออกใครอ่าถามว่าพระเจ้าสอนมาพูดนั่นแล้วอาจารย์คช่ไหเออเที่ยังรูกับอาจารย์เนี่ยทำได้ทุกอย่างอ่ะละดีดีระดับหนึ่งละใช่ได้แล้วแต่ก็ไม่ค่อยตรงกับที่ถามไปนะคือคือก็ก็ดีอ่ะนะนุโมทนาด้วยว่าก้าวหน้าไปเยอะโขมนกันปกติก็จะดิ้นเร่าๆอยู่ละ แล้วและคนอื่ น, น่นะคือปกตินะคือการรู้อนิจจังเนี่ยนะทุกขังอนัตตาเนี่ยนะอนิจจังนี้โดยศัพนี่หมายถึงขยะขยัตเถนะหมายถึงอะไรก็ตามที่มันสิ้นไปเนี่ยนะ อันนี้เรียกว่าอ น, นิจจังส่วนทุกขังก็คือพยัตเถนะหรือภัยเนี่ยนะภัยภัยนี้มีสองความหมายคือหมายถึงสะดุ้งจิตเนี่ยนะจิตสะดุง้งกับหน้าอ่าสิ่งนั้นเนี่ยน่ากลัวแต่แต่แต่นี้ภัยในที่นี้ไม่ใช่ว่าจิตไปสะดุ้งนะไม่ได้หมายถึงจิตที่เข้าไปสะดุ้งกับสิ่งนั้นนั้นแต่หมายถึงว่า ไอ้ตัวสิ่งนั้นเนี่ยมันน่ากลัวถ้าตั้งคําถามว่าวอคนที่มองเห็นหลาวเหล็กะนะเหลาเหล็กที่มันคมแหลมเปี้ยบเลยเนี่ยนะถามว่าไอ้ไอ้เหลาเหล็กที่มันแล้มคมเนี่ยมันน่ากลัวไหมน่ากลัวแต่คนที่อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนี่เขากลัวไหมไม่กลั ว, ลวพวกที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยเหมือนกันมองเห็นสังขารมันน่ากลัวแต่ว่า เขาขณะนั้นเขาไม่ได้สะดุ้งอะไรเนี่ยนะส่วนอนัตตก็คืออะไรอสาระอสารกัตถะนะไม่มีสาระคือไม่มีนิจจสาระอยู่ในนั้นไม่มีสุขสาระไม่มีสุภะสาระไม่มีอัตตสาระเนี่ยนะก็คือไม่มีสาระสประการนี้เรียกว่าอสสาระ อันนี้คือประกาศถึงความเป็นอนัตตาก็อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอั น, นิจจังทุกขังอนัตตานั้นมันเป็นความรู้ที่เข้าไปรู้เป็นชื่อของออปัญญานะที่กำลังพูดเนี่ยหมายถึงตัวปัญญาปัญญาที่เข้าไปรู้ทำทั้งหลายว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะรู้ว่าธรรมะนี่มันเป็นอย่างนี้นะ แล้วไอสิ่งที่กําลังพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรเห็นไหมปัญญาเนี่ยธรรมชาติของเข้ามันเป็นความรู้ใช่ไหมไปรู้ว่าไม่เที่ยงคือขยัตเถนะสิ้นไปไปรู้ว่าเป็นทุกข์เพราะมันน่ากลัวเห็นไหมไปรู้ว่าเป็นอนัตตาเพราะว่าสิ่งนั้นไม่มีสาระแล้วไอสิ่งที่รู้่คืออะไรเห็นไหมปกติก็คือขันอายตนะหรือธาต อย่างใดอย่างหนึ่งในในในสามอย่างเนี่ยนะแต่ถ้าอ น, นิจจังอ น, นิจจังโดยมากจะอธิบายขันห้าขออภัยทุกขังนะบางทีทุกขังเนี่ยจะเน้นอธิบายขันห้าว่าตัวทุกขคือคือขันเนี่ยนะบางทีอนัตตานี้จะอธิบายธาต โดยมากนะอันนี้เทียบจะโดยมากแต่ว่าแสดงทั้งหมดแหละถ้าอา น, นิจังบางทีก็แสดงอายตนะเช่นจกักรคูไม่เทีย่ยงอย่างเงี้ยนะแต่ว่าขันอย่างเดียวก็อธิบายความรู้ในอา น, นิจังทุกขังอนัตตาไปแทงตลอดหรืออายตนะก็ได้หรือาธาตุก็ได้เห็นไหมทั้งหมดเท่าที่พูดนี้ก็คือพูดถึงทุกขสัตว์อันนะ ทุกขสัเพะะเมื่อรู้ทุกขสัตย์อย่างนี้แล้วสิ่งที่จะเห็นต่อไปคือเห็นอะไรคือเห็นสมุทยัทยสัตว์เห็นไมเห็นสมุทัยว่าถ้าเห็นโดยความเป็นอนิจจังปกติก็จะเห็นโทษของมานนะ ถ้าเห็นโดยความเป็นทุกข์มากก็จะเห็นโทษของโลภะเนีย่ยนะความทุกข์ทั้งหลายก็เกิดจากโลภะถ้าเห็นโดยความเป็นอนัตตา ม, มากก็จะเห็นโทษของทิฏฐิที่เข้าไปสำคัญผิดที่ที่ไปรู้ผิดไปเห็นผิดไปเข้าใจผิดขึ้นเนีย่ยนะก็จะเห็นโทษของสมุทัยอย่างนี้เนีย่ยนะคือทีนี้ถ้าเห็นโทษของสมุทัยแล้วแช่ดิ่งอยู่ตรงนี้หรือ นะแล้วความจริงเนี่ยนะสังขารทุกชนิดมันเป็นอย่างนี้จริงๆริงเมื่อรอบรู้ว่าปัญหามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคือรู้โทษของทุกอ่ะนะคือคือเห็นความไม่มีสาระของทุกขเห็นภัยของสมุ ท, ทยัยถ้าเห็นเป็นอย่างนี้แล้วก็ดิ่งอยู่เลยใช่ไหมชั้นอุเบกขาละครับนี้อะไรก็เกิดช่างมันอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ เพราะว่าปกติถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติคำสอนเขาจะไม่หยุดอยู่แค่สัจจะสองนี้ถ้าอ่านในพระไตรปิฎกบ่อยๆนะบอกว่าทางแห่งพระนิพพานพระพุทธเจ้าชี้ไว้แล้วเนี่ยนะจะต่อด้วยคำนั้นคือถ้าสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไอตัณหามานะทิฏฐิที่เข้าไปเพลิดเพลินในในสังขารเหล่านี้มันเป็นคือทุกข์คือโทษคือภัยเนี่ยนะ ถามว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยทั้งคู่เนี่ยมันต้องมองให้เห็นเป็นตึกเวิร์ตเทปทั้งหมดเลย mm hmm. เนี่ยนะกว่ากำลังอยู่ในตึกนั้นอยู่ดีนะทีนี้เขามีคนคนหนึ่งอ่ะนะหวังดีมากไปเปิดประตูให้หนึ่งประตูเนี่ยนะเปิดประตูว่าคุณออกไหมเนี่ยนะเปิดไว้ให้เพราะฉะนั้นก็จะยินดีในการออกเป็นที่สุดเนี่ยนะจะไม่ยินดีให้ให้อะไรให้ไฟมันไหม้ก่อนเนี่ยนะ ไม่ยอมไปเกาะมัวแต่ห่วงเศษขยะเอ๊ะเอาขยะไปทิ้งด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็ไม่ต้องเป็นนึกรู้สึกห่วงอะไรแล้วเห็นท่อด้วยว่าถ้ายิ่งติดอยู่ในพ่วกนี้นานเท่าไหร่นะด้วยอานาจตันหามานะเนี่ยรู้แน่ว่าแบนตัแต่แนะ่ทีนี้ทำยังไงล่ะก็ก็มีคนที่ชี้ทางออกเนี่ยนะทางออกอันนี้คือมัดเนี่ยนะ ถ้าเทียบโดยลำพังทั่วๆไปน ะ, ะคนที่คนที่หิวถ้าหากว่าคนมีคนคือปกติเขามีอยทยาศัยกระตันอยู่นะถ้ามีคนยื่นอาหารมาให้ปกติเขารู้สึกยังไงขอบคุณต่อผู้ยื่นมากใช่ไหมหรือคนที่กําลังกระหายน้ําแห้งผากเลยนะมีคนยื่นน้ํามาให้รู้สึกว่าขอบคุณกับผู้ให้น้ํามากฉันใดผู้ที่เห็นภัยในขันเห็นโทษของ ตัญหาหรือสมุทัยเหล่านี้นะก็จะเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเท่านั้นผู้ชี้มักเนี่ยนะผู้ชี้มักอันนี้ชี้ทางออกเพราะว่าถ้าออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วสบายแน่หมายว่าพระนิพพานพระพุทธเจ้าชี้ไว้แล้วเนี่ยนะคืออันนี้พระพุทธเจ้าแสดงมักใช่ไหมพรหมจันทร์ในภาษาศาสนาก็คือมักนะมักอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพรหมจันทร์ อพระฉพระพุทธเจ้าชี้พรหมจันท ร, ร์ไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็เพืเ่อออกจากวัตฏะทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นอย่างนี้ก็จะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้านี้ท่านมีคุณจริงๆนะถ้าหากว่าท่านไม่เปิดประตูอันนี้ให้เรานะไม่บอกแนวทางอันนี้แล้วเราจะออกได้ยังไงเนี่ยลำพังเราเองออกไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้มันจะไปออกตรงไหนมันซับซ้อนขนาดนี้ อย่างที่ผู้การว่าถ้าไม่มีอตติตังสยานไม่มีอนาคตังสยานจุตูปปาตยานเป็นต้นเนี่ยนะมันไม่ด้วยอนุภาพของทิฏฐินะมันรกชัดอยู่แล้วเนีย่ยนะมันรกชัดอ่ะนะมันจะไปเหมือนกับที่ตัวเองคิดว่าน่าจะแก้ตรงนั้นน่าจะแก้ได้อย่างนี้น่าจะแก้ได้ทีนี้ถ้าเมื่อสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วก็ภัยคือตัณหามานตทิฏฐ เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วมักพระพุทธเจ้าชี้ไว้แล้วเนี่ยพระ อ, องค์ชี้ตรงไหนอีกต่อไปว่าเราควรเดินตรงไหนต่อไปเนี่ยนะสำนวนว่าเ อ, อเข้าใจอย่างนี้แล้วต้องทํำยังไงต่อไปอีกอันนะควรควรคว ร, คว ร, ค, วรควรเจริญตําแหน่งไหนให้มากเนี่ยนะก็พอเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะก็มาเจริญที่ อนุปัสนาเห็นไหมอนุปัสนานี่แหละจึงจะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อมักไอตัวนี้นะตัวอนุปัสนาเนี่ยโดยเฉพาะตรงๆแล้วองค์ทำได้แก่ปัญญีสีปัญญีสีอันนี้มีมีอะไรเป็นเหตุใกล้สมาธิเห็นไหมถ้ารวมๆไปแล้วเนี่ยสมาธิถ้าพูดคำว่าสมาธินะสติวิริยะ พูดแล้วเนี่ยนะที่เหลือศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาอันนี้ก็มีกรรมสักตาเป็นปัจจัยอีกนั่นแหละมีปัญญาอีกนั่นแหละเป็นปัจจั ย, ยนะมันก็จะมาเจริญไอไอปัญญินทรสีอันนี้ที่เป็นอนุปัสนาไปตามเห็นขันอายตนะธาตุโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเนี่ยนะ แล้วไอ้ตรงนี้ในการเจรินอันนีนะตัวที่มีกำลังจริงๆอ่ะ ก, กลับเป็นศรัทธาเชื่อไหมว่าคือคอถ้าตั้งคนถามเชื่อไหมว่าถ้าคุณตามเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงมากๆปัญญาเป็นอนิจจานุปัสนาถ้าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงปัญญาอันนี้เนี่ยเป็นอุปนิสัยให้คุณพ้นทุกนะคุณมีศรัทธาไหมอันน้ถ้าไม่มีศรัทธา ก็รู้เธอว่าตะปูได้ตรึงใจคุณแล้วว่าคุณสงสัยในคำสอนเนี่ยนะก็ก็จะเข้ากลุ่มเจโตขีละธรรมอันนเจโตขีละธรรมและปกติมีห้าข้อหนึ่งสงสัยในพระพุทธเจ้าผู้ชี้ว่าเอ๊ะรู้จริงหรือเปล่ามารู้มาชี้ให้เราเดินเนี่ยนะเอ๊ะออก ไม่ใช่ตายด้วยนะแล้วมันออกจากวัฏฏะได้จริงหรือเปล่าอันนี้ยถ้าสงสัยในพระพุทธเจ้าข้อสองก็สงสัยในพระธรรมว่าคําสอนที่ที่สอนทั้งระบบเนี่ยใช้ได้จริงไหมก็สงสัยแต่ถ้าขณะที่ถูกสงสัยนะไม่ต้องห่วงพอสงสัยขึ้นตะปูตรึงใจไว้ละตรึงไว้ละเจริญต่อไปไม่ได้แน่นอนแล้วข้อสามสงสัยว่าพระสาวกที่ว่าปฏิบัติดีนะท่านเจริญตามนี้แล้วอ่ะท่านออกจากทุกข์มันจริงหรือ เสร็จแล้วก็สงสัยในศิกขาสงสัยในปัญญีสีคืออนุปัสนาอย่างหนึ่งสงสัยในกลุ่มสมาธิอย่างหนึ่งสงสัยในกลุ่มของศีลเนี่ยอย่างหนึ่งศรัทธาก็คือกลุ่มศีลนั่นเองเอ๊ะมันมันช่วยให้บรรลุจริงหรือเปล่าพวกนี้ตะปูตรึงใจสี่ข้อแรกคือความสงสยัยนะสงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในศิกขา หรืออาจจะไม่สงสัยหมดหมัวแต่ทะเลาะ ก, กับเพื่อนอยู่อันนั้นก็เป็นได้นะนะอันนั้นเรื่องแค่ว่าเรื่องนอกตัวละอนะถือว่าตับมนุษยสัมพันธ์ไม่ดีก็เลยไปทะเลาะ ก, กับเพื่อนเขาอันนั้นก็ถือว่าเรื่องส่วนตัวไปแต่ น, นี้ถ้าเกี่ยวข้องกับศาสนาจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในในส่วนตรงนี้นะแค่ในชั้นแรกปฏิบัติเนี่ย ต้องไม่มีความสงสัยในพระพุทธเจ้าไม่สงสัยในพระธรรมไม่สงสัยในพระสงฆ์ไม่สงสัยในศิกขาว่าศิกขาอันนี้ช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงแล้วรู้ทันทีว่าถ้าไม่เจริญอันนี้ตามที่พระพุทธเจ้าแนะนํามรรคเกิดไม่ได้ถ้ามรรคเกิดไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้ทีนี้ถ้าพ้นทุกข์ไม่ได้ถ้าเห็นตรงกันข้ามกับอันนี้จังมันจะเห็นว่าอะไรก็เห็นว่าเป็นนิจจังใช่ไหมถ้าคนมีดีหน่อยก็ มานะตามสมควรว่าไอ้ที่ตัวเองคิดว่ามันเที่ยงนี่มันดีแค่ไหนเนี่ยนะเช่นว่าถ้าสําคัญกายนี้ว่ามันดีมากก็มานะมากไปตามสมควรนั้นไปเนี่ยนะแล้วแต่ถ้ายึดถือเวทนาขันฉันมีความสุขมากคนอื่นทุกเนี่ยนะฉันสุขมากก็จะเป็นกลุ่มมานะทั้งหมดเนี่ยนะทีนี้ถ้าเห็นว่าเออเกิดแก่เจ็บตายเอ๊ะมันก็ก็สนุกดีเหมือนกันเนี่ยนะก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นภัยอะไรเนี่ยนะ แล้วก็ทุกอย่างดูมันมีสาระไปหมดเลยเนี่ยนะก็ใช่แต่ถ้าในในในส่วนเหล่านี้นะในส่วนฝั่งนี้ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้พระพุทธศาสนาเกิดในโลกหรือไม่เกิดก็มีอยู่อย่างนี้แต่ที่พระพุทธศาสนาเกิดมาในโลกเนี่ยคือ กลมอนุปัสนาตั้งแต่ศรัทธาสมาธิปัญญาอนุปัสนาเป็นปัจจัยแก่มรรคนิพพานก็มีอยู่แล้วโดยสภาวะหรือธรรมชาติก็แต่พระองค์เป็นคนชี้เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้เลยเรียกว่าเป็นของของพระพุทธเจ้าคือคือกันไม้มครับว่ามันเป็นขุมทรัพย์ขุมหนึ่งที่ใหญ่มากแล้วก็ถูกปกปิดมานานผู้ที่ค้นพบก่อนแล้วบอกให้คนอื่นไปเอานะ เพราะฉะนั้นคนที่คนพบเป็นคนแรกก็ถือว่าเป็นของเป็นของท่านผู้นั้นไปก็เรียกว่าเป็นของพระพุทธเจ้าไปแต่ว่าที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าก็คือเนี่ยไอชาตชารามรณะที่มีกันอยู่ทุกคนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สมบัติของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้สอนเลยตันหามาณนะทิฏฐิพระองค์ก็ไม่ได้สอนก็ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าของของเราเองเนี่ยน ะ, พ, ะพันผู้ที่แม้กระทั่งว่าใช้ถ้อยคําลึกซึ้งขนาดไหนโอโหทุกอย่างมันไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละ มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันว่างมันเปล่ามันศูนย์มันไม่มีสาระเป็นต้นนะแล้วถ้าหากว่าอย่างที่ว่าถ้ามาสวดมนต์เป็นต้นแล้วไม่ทราบซึ่งในคุณพระรัตนตรายอะไรเลยก็แสดงว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นอันเนี้ยกาลังเกิดขึ้นเห็นไหมทีนี้ปกติมานะเนี่ยนะมันจะต้องมีของดีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นนิมิต ถ้าไม่มีเรียกว่าถ้าถ้าคนมันจะอุ่นใจนะมันต้องมีที่อุ่นใจสักอย่างหนึ่งใช่มอันนะีเช่นว่าเขาก็พูดถึงว่าผู้หญิงทั่วไปนะก็มีสิ่งที่อุ่นใจบ้างก็คือลูกเข า, างั้นนะคือถ้าถ้าคืออยู่ในชีวิตครอบครัวที่พูดถึงแบบแบบโบราณหน่อยนะผู้หญิงไปอยู่บ้านผู้ชายอะ่ะเสร็จแล้วก็อยู่ในวแวดงวงวงล้อมของขอ ง, ของเขยญาติทางสามีทั้งหมด ถามว่าจะพอมีอะไรให้อุ่นม้างก็มีลูกก็มีลูกเป็นเครื่องมั่นใจว่างั้นเถอะนะมีลูกมีทรัพย์มีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องมั่นใจทีนี้คนที่แม้พออันนี้เหมือนกันต้องมีอย่างหนึ่งที่ที่เป็นเครื่องมั่นใจใช่คือฉันต้องมีดีอะอะไรอะอันนั้นคืออะไรส่วนใหญ่ก็ถือว่าตัวเองเนี่ยมีปัญญาเนี่ยนะก็ถือว่ามีปัญญาพอพอถือว่าเออฉันมีความรู้เหล่านี้นะ เพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแม้แต่พระพุทธเจ้าชั้นก็ไม่จำเป็นต้องนอบน้อมถามว่าคนแบบนี้มีไหมมีและสมัยพุทธกาลก็มีไม่ใช่สมัยนี้อย่างเดียวนะมีรูปแรกก็คือพระเทวทัตเนี่ยนะพระเทวทัตนี้ทรงพระไตไปิฎกหมดเลยแต่เขาบอกว่าไม่ได้ของพระพุทธเจ้า เขาร่ำเรียนของเขานะเขาท่องของเขาเขาอะไรของเขาอะ่ะนะเขาควนขวายของเขาอะ่ะมั้นเขาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นของพระพุทธเจ้าอะไรเขาถือว่าเป็นของเขามั้นก็จะมีไอ้กลุ่มเนี่ยมากก็เลยถูกอาศัตริย์ทแปดเนี่ยกลุ่มรุมแก้ไขไม่ได้ตกนรกตลอดกับอ า, อาศัตริย์ทำแปดของที่พระพระเทวทัตได้เนี่ยนะก็ลาบเสือเส่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญแล้วก็ สองข้อสุดท้ายคือปรารถนาลา ม, มกกับมิดชั่วเนอะนะคือไม่ใช่สุขทุกข์ะนะคือล่เอ่อปรารถนาลามม ก, กับมิดชั่วก็เข้ามาแล้วก็ทําลายหมดทีนี้บางคนเนี่ยพระพิสุบางรูปไปสงสัยว่าพระพุทธเจ้าพระองค์รู้จริงหรือเปล่าที่พยากรณ์ว่าพระเทวทัตนี่ตกนรกตลอดกลับแก้ไขไม่ได้อ่านะเขาก็คล้ายๆกับสงสัยอ่านะที่พระพุทธเจ้าพูดนี่มันจริงหรือเปล่าก็ไปถามพระอ น, นุน พระนนท์ก็เอาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็บอกว่าภิกษุนี้น่าจะบวชใหม่เนี่ยนะที่ถามเนี่ยนะถ้าไม่บวชใหม่ก็เป็นพระเก่าก็โง่เป็นแน่พระเถระโง่เป็นแน่เนี่ยนะไม่มีสองอย่างไม่ไ ม, ไม่บวชใหม่ก็พระโง่อะพระองค์บอกว่าถ้าเราเห็นธรรมขาวหน่อยหนึ่งแม้กระทั่งปลายขนทรายในพระเทวทัศนะเราจะไม่พยากรณ์อย่างนั้นหรอกมันไม่มีธรรมขาวอยู่ในนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันเลยแก้ไขไม่ได้ประมาณั้น แต่ขนาดว่าถามว่าไอ้ช่วงที่มีความรู้พวกนี้มีไหมมีแต่ไม่ได้มาคิดถึงสิ่งเหล่านี้หรอกเนี่ยนะก็อันอันสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารของมณฑลธรรมดาดีๆนี่เอ ง, องนะฟังแกก็มีความรู้สึกว่ายกตนเทียมพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเนี่ยนะไม่ว่าเมื่อไหร่พระองค์จะสละตําแหน่งสักทีหนึ่งฉันจะได้ขึ้นพระพุทธเจ้าสักทีหนึ่งเนี่ยนะพระองค์ไม่ลงหรือฉันวางแผนฆ่าก็ได้เนี่ยนะก็มีแต่ความคิดแบบนี้ฝกักฝ่ายอยู่อย่างนั้นตลอด เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งสมัยพุทธกาลก็ผู้ที่ไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ขนาดมีคุณขนาดนั้นแล้วก็คนในยุคหลังเหมือนกันพอมาศึกษาธรรมะเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งไม่ได้ตลอดสายอะไรก็นึกว่าโอ้โหปัญญาชั้นมากแล้วเพราะฉั้นเข้าไปรู้ถึงความเป็นไม่เที่ยงของขันอายตนะธาตุยนะหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตามันไม่มีสาระอย่างเงี้ยแต่ก็พอรู้นะแต่ก็ไม่ได้คิดหาทางออกอะไร เนี่ยนะก็ไม่ได้คิดหาทางออกอะไรก็ชั้นแน่อยู่อย่างเดียวนะก็ก็จมอยู่ในห่วงของทุกข์เขาก็จะเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าทีนี้การบรรลุมรรคผลของเขามีไม่ได้เป็นแน่แ น, นอนอันนี้แน่นอนเพราะอย่าลืมว่าในโสดาปติยังฆาธรรมสี่ประการสําหรับผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วนะ ถ้าถ้ามีโสตปฏิยังฆ่าธรรมสี่ประการอยู่ในตัวปฏิยานว่าเป็นผู้มีอบายสิ้นแล้วนรกสิ้นแล้วเนี่ยนะอบายทุกติวิบัติสิ้นแล้วว่าเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรูบ้บอกได้เลยว่าเป็นพระโสดาบันสี่ประการเนี่ยเป็นไหน 1. มีศรัทธาเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะข้อหนึ่งนะก็เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าสองในพระธรรมสมในพระสง เนี่ยนะแล้วก็ตัวเองนี้มีอัติศีลและศีขาเป็นอย่างดีเนี่ยนะอัติศีลและศีขาเนี่ยมั่นคงมากเนี่ยนะอันเนี้ยเป็นเครื่องหมายบอกเตือนว่าเขาผู้นั้นปิดอบายได้แล้วเนี่ยนะศรัทธาอันนี้แหละเป็นเป็นตัวที่บ่งบอกว่าปิดอบายได้แต่ปัญญาที่ไปเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาที่แบบขาดศรัทธาเป็นต้นไม่แน่เนี่ยนะ อาจจะใกล้ต่ออบายมากขึ้นก็ได้เขาบอกว่าพวกที่เน้นปัญญามากๆโดยที่ขาดศรัทธาเป็นต้นนะก็ จ, จะถือว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทรานั้นให้ทานก็ไม่เที่ยงรักษาศีลก็ไม่เที่ยงก็เลยกุศลก็เลยไม่เที่ยงพอกุศลไม่เที่ยงแล้วคิดยจงไงก็เลยไม่เจริญกุศล เพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาไปทำมันทำอะไรไม่ต้องไปขวนขวายมันก็แล้วแต่มันจะเกิดถึงมันเกิดมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่มันไอปกตินักกุศลเนี่ยท่านพิจารณาให้มันเกิดก่อนแล้วท่านค่อยพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยนะทำท่านพิจารณาไม่เที่ยงเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่พิจารณาแต่หมายถึงว่ามันเกิดแล้วค่อยพิจารณาแต่ว่ากุศลไม่เคยเกิดเลยนะเช่นอนุปัสสนาก็ไม่เคยเกิด สมาธิอะไรก็ไม่มีสติสินก็ไม่ค่อยดีแต่ว่ากุศลมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละอันนั้นก็หวังได้เลยว่าตปไม่ดีแน่นอน